ด้วยสถาน 16 กรกฎาคม 2533 ตามเดิมเอ่อเสียงจะบังคับไม่ หลังจากกลับเข้ากลับเข้าถ้ําตอนเดือนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปก็สั่งว่าทุก 5 บาทปิดทั้งกําลังหลับก็เรียกว่าคณะที่ก็ถือว่าเป็นคณะเถร 2 บาทคําว่าคณะเถร 2 บาทก็หมายว่าอาจารย์ทําก็ทําอย่างตามปกติ ข้าวเกือบจะเต็มบาดแล้วและทั้งหมดคนที่ใส่บาดกลับหมดแล้วเป็นลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏ <c oughs> ก็เป็นเทวดาเข้านางฟ้านี่ให้เท่าไหร่เป็นการพอดีบางครั้งบางคราวให้แท้ทัพพี 2 ทัพพีก็ฉันอิ่มพอดีให้เครื่องบ่ายก็ฉันอิ่มพอ ต่อนี้ไปผมให้อิสลามคุณเจ้าออกเดินไปออก 7 วันจึงกลับไปตามชอบใจของคุณคุณจะไป ถามท่านว่าไปทางไหนดีครับท่านก็ชี้ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือท่านบอกว่าในด้านที่ทิศนั้นมีบึงบรเพชรเป็นบึงใหญ่มีน้ําใสสะอาดมีผังหญ้าปลาเยอะมีสัตว์ จะอาศัยถ้ำแต่ก็ได้เพราะมีถ้ำย่ำๆอยู่ที่ถามถ้าว่าไกลมั้ยท่านบอกว่าถ้าคุณจะไปผมจะไปส่งแต่การไปส่งของผมผมจะไม่เอาตัวไปผมเอาใจไปส่งแล้วเวลา ท่านผู้ฟังและท่านอ่านอาจจะสงสัยว่าจะ ไปถึง 1 ชั่วโมงก็ไปถึง พออยู่ที่ถ้ํานี้ก็มีความสุขแต่เวลากลางดินจริงๆเข้าไปเดินเล่น จำได้อยู่ตัวนึงเป็นลิงขาวเผือกใหญ่เป็นหัว พอทีนั่งเพลินๆก็มันสะกิดเล่นบ้างมันเหลืมตาขึ้นมาเถอะแหกตาหลอกซะบ้างอะไรบ้างเป็นต้นนี่แหละของลิงอีกตัวชุดหนึ่งก็พวก <c oughs> แล้วก็เป็นเข้ามาหากระต่ายก็เหมือนกันเจดเถิดเข้ามาหาถ้ามีสัตว์ใหญ่มาก็แสดงว่าในเมื่อเจ้าบรรดาสัตว์ใหญ่ทั้งหลายบรรดาทั้งผู้ประเสริฐเค้าก็ไม่ได้สนใจอะไรเค้ามา ตะเลิจามที่อยู่ถึงเวลา 7 วันบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เกิดมามีชีวิตนี่ความสุขจะมีความทุกข์มีฐานะ 3 อย่างคือนิมปกินิพพานสานุสติญาณในรัตชาติตัวเองสังวิปีตังสญาณเอกานอดีตสาม ที่พออย่างยิ่งกับพวกพล บางทีมันก็ถูกแบบเฉียดๆบางทีก็ถูกตรง <c oughs> จะเป็นท่านผู้ใดก็ตามที่ท่านผู้รู้บอกถ้าจะตรงตามความเป็นจริงเสมอจะท่านเรื่องนี้แล้วก็ปานจึงแนะนําเพราะว่าจงอย่าเก่งแต่ คิดมีความสบายใจเป็นสุขมีความสบายใจความชาติกี่ชาติมีมั้ยมีชาติไหนบ้างที่เคยเคยเกิดแยก บางชาติก็เกิดเป็นลูกเศรษฐีบางสมัยชาติยุคเบื้องต้นอยุธยาสุพรรณอยุธยาเนี่ยสุพรรณบูรุษอยุธยานี่ก็เกิด ไม่บอกสมัยกันเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วๆก็ไป <c oughs> เกิดไปทุกชาติสร้างบาปทุกชาติแล้วก็สร้างบุญทุกชาติบาปกับบุญนี่จริงๆมันไม่เข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> <แต> ยามเกิดศึกสงครามก็ทำบาปต้องรบก่อนที่จะรบกับข้าศัตรูก่อนที่จะเข่นฆ่าข้าศัตรูก็ต้องฆ่าเพื่อนกันซะก่อนฆ่าผู้มีคุณฆ่า <c oughs> มันก็ใช้ใช้จํานวนไม่น้อยต้องกันก็ 2 ฝ่ายทั้งฝ่ายเรากับฝ่ายเขาเมื่อเสร็จ mm hmm. <c oughs> ก็จะทําทุกบรรดาท่านผู้บริษัทยังหลายเวลานั้นยังไม่ต้องเลี้ยงปลากันไอ้เลี้ยง เออการฆ่าฆ่าในการเลี้ยงคนในบรรดาท่านทั้งหลายมันก็ต้องฆ่าฉับฉับมันตายให้ไม่ทันอันนี้ก็ <c oughs> องค์สมภรธรรมสินก็รักษานั้นยังคง ก็ต้องถือว่าไม่คนโทษปาณาติบาตมันก็มากทีนี้ท่านจะมาคุยกันเวลานี้นี่ที่ป่วยไข้ไม่สบายนี่ก็โทษปาณาติบาตเป็น ที่มาบอกถ้าบอกว่าถ้าผมบอกคนเดียวแล้วไม่จําเป็นต้องทาง เขารู้ว่าเป็นพระอินทร์จริงๆตอนเมื่อหลวงพ่อปานบอกท่านบอกว่าสมัยนั้นคุณเกิดเป็นอย่างนั้นดูภาพ <c oughs> ตายก่อนจะตายก็ทำบุญอยู่ขณะอันจริงๆเวลานั้นยังตอนถ้าไอ้พวกไปบอกบอกบอกความก่อนสมัยพุทธกาล โลกภพภูมิที่เคารพข้อสอนเทวดากับพรหมมีการให้ทานมีการรักษาศีลตามสมควรอาศัยทานบ้างรักษาศีลบ้างมีความเคารพแต่พรหมเทวดาบ้างเวลาตายแล้วบาป มาดูแล้วถ้าอธิบายแล้วทุกเราทุกคนก็จดบันทึกเอาข้อไว้เพราะต้องกลับมารายงานงบถามกันถามท่านท่านตอบพร้อมกับภาคภาคไม่ใช่ภาคเขียนไม่ใช่ภาคในเจ้าทรัพย์ภาคเลย เป็นบ้านเป็นเมืองชัดเราเป็นอะไรบ้างก็เห็นตัวเราทำโน่นทำนี่ชี้นั่นชี้นี่ทำอะไรจะดูดูหมดดีไม่ดีเขาไม่มาตีเราเราก็ไปตีเขาทั้งนี้ ถ้าเราไม่ไปตีเขาถ้าเขามีทั้ง <c oughs> 4 ทั้ง 7 วันเวลาที่ท่านมาจริง ทรอทเนี่ยมัน ให้ฉันมองเห็นวัดฉันเดียวนี้เพียงเท่านั้นแหละเห็นวัดชัดๆอะไรทําไมที่ไหนบ้างเห็นหมดต้องการ อดีตตั้งสยายก็ดีอนาคตตั้งสยายอาจารย์ก็ดีทั้งหมด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 ปลาก็เยอะแยะหาง่ายเวลาหาปลาๆๆจับแค่ 2-3 ครั้งก็พอกินพอใช้พอกินแล้วก็นํามากิน ทำบุญหนักการทำบุญหนักสมัครตามฐานะมีการเครื่องคัดในบุญในกุศลนิยมให้ฐานนิยมไหว้เทวดานิยมไหว้ไหว้ไหว้บรมเวลานั้นยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าต่อมา <c oughs> ตอนนี้ก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งท่านก็แสดงให้ แต่ว่าเกิดมาหลายครั้งแต่ละคราวก็เจอสงครามทุกครั้งในเมื่อในเมื่อพระราชาสั่งรบก็ อย่างเมืองที่บอกเป็นเมืองขึ้นยอมไปลูก ดูบาปแล้วกองบํานนทนทึกแต่ว่าเวลาจะตายก็บุญจุดแต่จุดหนึ่งที่สั่ง มันก็หมายความ ไปพบฝูงช้างเข้าช้างหัวหน้าเป็นช้างสีดอก้มคุกเข่าหัวหน้ายกงวงขึ้นแสดง ช้างอีเป็นหัวหน้าหันมาคุกเข่าเท้าแล้ว และเดินเหมือนกับเราเดินหลีกแมวบนบ้านเสือก็แปลรูปร่างคล้ายๆแต่เสือโตกว่าเสือเราเดินไปเสือเดินมาเสือแล้วก็เดินถ้าถามถึงเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เราพร้อมแล้วพร้อมที่ <c oughs> จะไปได้หรือไม่ได้จิตใจเรา ในวาระถึงความเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นโตมะทาทางคึกคักเข้าหาญเข้าน้าวท่าทางแกร่งแต่เข้ามาในบ้านวันที่ 2 หมดเลียมหมดแรงน้อยเฝ็งใจก็เหนื่อยกายก็ เป็นว่า แต่ว่าต้องการจะสอนเค้าอื่นก่อนคราวนี้เราเอาหลักถ้าผู้พร่ำปานชวนให้ปรารถนาพุทธภูมิเราก็เอาด้วยเอาอย่างคนตามท่านมันก็ไม่แน่นอนนักจิตใจก็หวังพุทธภูมิแต่จิตใจหนึ่ง การบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้ไม่รู้จักนิพพานก็เป็นพระเจ้าไม่ได้ พรหมวิหาร 4 นี่ต้องส่งทุกใดที่ตื่นอยู่จิตจะส่งพรหมวิหาร 4 ตลอดเวลาถามว่าพรหมวิหาร 4 กันอะไรได้ไหมก็ต้องขอต่อว่าพรหมวิหาร 4 กันอารมณ์กลุ่มอารมณ์ไม่จําให้กลุ่มเพราะ <c oughs> อารมณ์จะไม่กลัวเมื่อพอเหตุโพธิธรรมดาร่างกายป่วยไข้มาสบายขึ้นเลยขาเอาไว้อารมณ์จะไม่กลัวในเมื่อเจอ แต่ว่าท่านผู้ส่งคนถามว่าจะกลับใช่มั้ยก็บอกกลับไปว่าถึงเวลาวันที่ 8 แล้วต้องกลับฉันเช้าก็กลับทําออกไม่เป็นไรที่ฉันฉันข้าวเมื่อครณาพอฉัน เขาว่าพอฉันข้าวเสร็จพระกรมนั่งอยู่ที่ปากถ้ําชลเดือนสมภารเห็นแล้วก็ยิ้มท่านบอกเสียท่าแล้วหรือบอกใช่ครับท่านถามว่าคนนุ่งขาวขาที่ไปสอนคุณคุณทราบหรือว่าใครผมไม่รู้ <c oughs> ก่อนที่ท่านจะมาผมก็บันทึกศีลที่แล้ว จะเอาเรื่องของเจ้าของถ้ำ